ขอาการหลวงพระกรมอาจารย์นาลงวิทย์แล้วก็เพื่อนธรรมวิสุกท่านนะจะเดินในธรรมยาติธรรมทุกคน ก, ก็ไปไปาย้ที่เนาะไปสอนธรรมะที่นครนายกแล้วก็ต่อไปเมืองจีนไปเมืองจีนก็ไปสอนธรรมะเนี่ยแหละกลับมาก็ <c oughs> มา ก็มาวันสองวันละแต่ไม่ได้ขึ้นมาทําวัดนะก็เดี๋ยวเอาธรรมะมาฝากเนาะนะเวลาไปที่ต่างๆก็ที่จริงไม่ใช่แค่ไปสอนคนอื่นหรอกเขาก็สอนเรานะ <c oughs> เขาก็สอนธรรมะเราทั้งนั้นนะ่ะเราก็ไปเรียนรู้ธรรมะจากจากธรรมชาติบ้างเรียนรู้ธรรมะจากผู้คนบ้างนะเรียนรู้ธรรมะจากการเดินทางบ้างนะ เอย่างไปรอบนี้ก็เออรู้สึกเห็นมีธรรมะข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะอย่างเวลาถ้าเราขึ้นเครื่องบินนอย่างอย่างเมื่อกี้อาตมาขึ้นเครื่องบินจากจากกรุงเทพนะไปปักกิ่งนเวลาขึ้นเครื่องบินมันใช้เวลาเดินทางที่ที่นานพอสมควรแล้วก็มันขึ้นสูงมากกว่าจะขึ้นจากสุวรรณภูมิขึ้นไปเรื่อยๆแต่ระดับความสูง เนกรทั่งพ้นเหนือเมฆนะแล้วก็สูงมากนะเป็นเกือบหลายพันเมตรตัว น, นี้เนาะเวลาเราขึ้นไปสูงๆมากๆขึ้นไปเหนือเมฆนี่ท้องฟ้ามันเหมือ น, ม, นมันว่างเปล่าไปหมดเนาะเป็นสีฟ้าไปหมดแต่ถ้าเป็นตอนค่ําก็เป็นตอนกลางคืนไปหมดเลยก็เป็นความมืดไปหมดเลยนะคล้ายๆพอเราขึ้นไปข้างล่างนี้ก็แทบมองไม่เห็นละมองไม่เห็นน่ะแหละ มันจะเห็นอีกทีก็ตอนที่ใกล้จะลงเท่านั้นนะใกล้จะลงเมือง่ะมันก็เป็นแบบนี้ขึ้นไปก็เรียกว่าก็นั่งสบายๆเดีย๋ยวเ้าก็พาไปเดี๋ยวกักตกบตันก็พาไปถึงที่เมืองเป้าหมายนะแอร์โฮสเตสก็บริการอะไรต่างๆเรียกว่าการขึ้นเครื่องบินนี่สบายมากไม่มีอะไรต้องน่ากลัว่ะแล้วก็ถึงจุดหมายแน่ถ้าไม่ตกนะบางคนก็ ามาก็คิดเปรียบเทียบ น, นะกับการปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็คิดว่าเราปฏิบัติธรรมเหมือนคล้ายๆเราเรานั่งเครื่องบินแบบนั้นแหละนะคล้ายๆถ้าจิตมีหลายคนแล้วพอปฏิบัติธรรมแล้วถ้าจิตได้สมาธิไปอยู่กับความว่างไปอยู่กับความสงบสงบปุ๊บไปนานๆเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวมันจะบันลุด h a r m เองนะ คล้ายๆบางคนคาดหวังแบบนั้นนะทํายังไงก็ได้ให้จิตมันสงบให้จิตมันว่างให้จิตมันสบายเมื่อสบายแล้วเดี๋ยวปัญญามันเกิดขึ้นเองก็เลยเปรียบเทียบว่าเอที่จิงคนพวกนี้คิดเหมือนว่าการปฏิบัติธรรมนี่เหมือนขึ้นเครื่องบินเลยนะคิดว่าเข้าเข้าไปอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเดี๋ยวสภาวะนั้นมันจะพาให้เกิดปัญญาเอง <S <S แต่อัตมาว่านะาดูผมว่า บางทีการปฏิบัติธรร ม, มใกล้เคียงกับการเดินทางทางบกมากกว่าคงไม่ใช่การเดินทางทางอากาศนะที่จะเพราะว่าในขณะที่เราเดินทางจะด้วยการเดินทางด้วยเท้าเดินทางด้วยรถนะหรืออาจจะมีการข้ามฟากข้ามสะพานบ้างมันที่จริงการปฏิบัติธรรมมันได้อารมณ์เช่นนั้นเพราะมันเจอกับอารมณ์ที่ที่มากระทบที่มาสัมผัสนะมันไม่ใช่เป็นแบบประเภทที่เรียกว่า หนีอารมณ์หรือว่าเลี่ยงอารมณ์เราเดินทางนะเช่นถ้าเราได้เดินเนี่ยมันเจอกับความเหนื <tr> ่อยมันเจอกับความร้อนเจอกับความหนาวจริงๆนะมันก็เราปฏิบัติธรรมเน่ยเราเจอกับอารมณ์จริงๆเจอกับอารมณ์ง่วงเจอกับอารมณ์ฟุ้งซ่านเจอกับอารมณ์สงสัยเจออารมณ์กับความคิดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีต่างๆมันเจออารมณ์กระทบจริงๆนะนะ เราก็เนี่ยเวลาเราเดินทางระหว่างทางที่เราเดินทางเนี่ยมันเจออารมณ์กระทบนะแต่ถ้านักเดินทางที่ที่ว่าอ่อนแอหรือว่าที่ว่าเจออะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็ท้อถอยก็จะเลิกรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปรู้สึกว่ามันลําบากเกินไปไม่ปฏิบัติธรรมสบายกว่าบางคนก็คิดอย่างนั้นนะทําไมตอนมามาปฏิบัติธรรมวันนั้นทำไมมันง่วงเหลือเกิน ปฏิบัติธรรมนั่นเป็นฟุ้งซ่านเกินหรือปฏิบัติธรรมนั้นมันปวดหลังปวดขาออทําทไมเราเอาเอากายของเรามาลําบากแบบนี้ทําไมเราต้องเอาใจของเรามาลําบากขนาดนี้นะก็จะคิดห่วงเกิดเองมากก็ไปอยู่บ้านจะใช้ดีกว่านะไปอยู่เหมือนชีวิตปุถุชนคนธรรมดาดีกว่าก็จะท้อแท้ท้อถอยไปแตนะ่อันนี้ก็จะมีมีบางคนที่คิดเช่นนั้น เดือบบางคนอาจจะทําเช่นนั้น <c oughs> ก็ได้นะแต่จริงถ้าเราเป็นนักเดินทางจริงๆนะอ่าก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะกาเดินทางอาจจ ะ, ะเผชิญกับความยากลําบากบ้างนะที่จริงบางช่วงมันอาจจะคล้ายเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินเท้าอลยนะกว่าจะขึ้นเขาแต่ละลูกนี่โอ้มันลําบากคล้ายๆกว่าเวลาความง่วงมาเยือนตรานะ่ยความง่วงมาเยือนเรานี้ กว่าเราจะผ่านความง่วงได้นี่ควารู้สึกมันหนักเหลือเกินนะทําไมวันนี้มันง่วงเหลือเกินง่วงตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจนบ่ายก็ยังไม่หายง่วงนะ่ะก็คล้ายๆเหมือนขึ้นเขาบางทีก็จะคิดว่าเออ ถ, ถึงตอนไหนจะถึงเขานออะไรนะแต่จริงถ้าเราวางใจสบายๆอ่าอย่าไปกังวลถึงว่าเมื่อไรไมันจะหายง่วงเมื่อไรไมันจะถึงยอดเขาเราก็เพียงแค่เดินทีละก้าว เราก็แค่ทําความรู้สึกตัวทีละครั้งอ่ามันก็ค่อยๆขึ้นไปค่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็คงพ้นจากความง่วงได้นะก็ถึงยอดเขาได้น ะ, ม, ะ, ะนมันเจอสภาว่าเพื่อนเนี้ยมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าทดสอบทดสอบกําลังใจของเราอทดสอบกําลังใจของเราว่ามันจะเข้มแข็งขนาดไหนแต่จริงบางคราวการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่ลาบากอ่านะไม่ใช่เหนื่อยเกินไปหรอกนะ บางทีมันก็เหมือนกับขึ้นรถได้ซ้ําไปขึ้นรถรถยนต์ที่สบายๆหรือเหมือนกับขึ้นรถไฟนะรถไฟตู้นอนได้ซ้ำนะนอนไปเรื่อยนะบางทีการภาวนาเนี่ยมันก็สบายนะสบายไปได้เรื่อยนะสติก็เกิดขึ้นเองรู้เองของมันไปนะไม่ต้องทําอะไรมากมันก็ดูไม่ง่วงเลยก็มีนะรู้สึกตัวได้ทุกขณะเลยไม่ต้องกําหนดเลยก็มีนะ มันก็ไปเรื่อยๆของมันแต่มันบางทีเนาะมันแบบแบบนี้แหละโยมนะบางทีมันเปลี่ยนเปลี่ยนคล้ายๆเหมือนการเดินเท้าบ้างบางทีก็เหมือนกับขี่จักรยานนะ่ะไปเรื่อยๆช้าๆนะ่ะเหมือนปฏิบัติต้องไไล้รรมนานแล้วเหมือนไม่ก้าวหน้าทําไมมันช้าเหลือเกินนะบางทีก็เหมือนกับนะ่ะขึ้นรถนะ่นนะก็ไปเร็วหน่อยบางทีก็เหมือนกับขึ้นรถไฟนะ่ะ ไปแบบจะรวจเลยก็มีอืมบางทีก็เนี่ยหยุดชะรอแวะก็มีนะแวะพักก็มีบางทีก็นะห ล, กนะ ล, กกงกลงทางก็มีนะเนะี่ยปฏิบัติทำไปก็หลงทางเสียเวลาก็มีนะไปหลงทางกับอะไรบ้างไปหลงทางกับกับความสงบบ้างอ้อตรงนี้มันมันสงบดีหน้าพักหน้าเที่ยวเหมือนกับเราเวลาเราเดินทางบางที ก็เห็นจุดปั๊มน้ํามันหน้าแวะหน้าพักบ้างหรือว่าเราเห็นที่ท่องเที่ยวก็อยากจะเข้าไปท่องเที่ยวบ้างนะเราเห็นอาหารการกินก็ไปติดในรสชาติสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ้างอันเนี้ยเวลาเราปฏิบัติธรรมก็แค่ๆกันมันมีที่ที่ชวนมพักเช่นในอ้อความสงบมานชวนให้เราพักอยู่กับความสงบอยู่กับความสบายนะ บางทีก็เป็นพักกับความรู้ก็มีนะบางทีจิตมันเกิดปัญญาเกิดความรู้ของมันเองแล้วก็ไปเพลินไปพอใจนะกับตรงนั้นก็มีหรือบางทีแล้วก็หลงทางก็มีนะหลงทางในเปรียบเหมือนอะไรเหมือนกับเราลงสงสัยนี่แหละนะพอเกิดความสงสัยดังเรอะไรขึ้นมาในจิตใจนี่เราก็จะหลงไปคิดหาคําตอบให้กับเขาอคิดว่าทําไมเนาะมาถึงน่วง ทำไมมันถึงคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ลืมไปแล้วทำไมครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นนะทำไมคนนั้นทำอย่างนี้นะหรือว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาไม่เข้าใจพยายามคิดให้เข้าใจนะอนนีน้ความทำไมนี่มันจะชวนให้เราถลาออกไปไปบกมุนในการหาคำตอบนะก็ทาให้เราหลงทางไปลงทางไปไหนหลงทางไปคิด นะสองทางไปคิดอะไรคิดหาคําตอบคิดเพื่อความเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าทางแยกที่จะเบี่ยงให้เราหลงทางออกจากการเดินทางตรง น, นี้ไปอันนี้การปฏิบัติธรรมบางทีก็มีมีทางที่หลงมีทางที่ล่อนะบางครั้งก็ไปติดในตัวความรู้นะในตัวปัญญาในตัววิปัสสนาที่มามาหลอกล่อให้เรา เกิดความเพลินเกิดความเรียกว่าสนุกในการเห็นกระบวนการต่างๆที่จิตมันเข้าไปรู้นั่นก็เป็นทางที่ทําให้เราหลงไปก็มีนะแต่ที่จริงการจะหลงทางก็ดีการจะแวะพักก็ดีหรือว่าการเดินทางบางครั้งอาจจะดูเหนื่อยล้าหรือบางคราวดูสบายก็ดีนะที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเป็นธรรมดานะมันเป็นอารมณ์ของการภาวนาทั้งนั้นนะเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะเราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าเราจะเจอแต่ความสบายอย่างเดียวเราจะไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าวันนี้เราจะต้องไม่ง่วงนะวันนี้เราจะต้องมีปิติมีความสุขมีความสบายในการภาวนาอย่างเดียวเราไม่สามารถเลือกได้นะนะไม่สามารถเลือกได้ อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะเราเผชิญหน้าเรียนรู้กับเขาไปเลยดีกว่านะโดยการที่ไม่ต้องไปคาดหวังนะโดยการที่ไม่ต้องไปเรียกว่าไปอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ดีเราก็สามารถเรียนรู้กับเขาได้ทั้งหมดนะ้นะนะเหมือนกับเราเดินทางแหละบางครั้งนะรถอาจจะติดบางครั้งรถอาจจะเสีย บางครั้งอาจจะมีการปิดถนนบางคราวเราก็ไม่รู้ว่ารถจะขึ้นเขาหรือลงเขาเนะนี่ยคือเราก็ไม่สามารถคาดการได้นะแต่เราก็ยังที่จะมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อเดินทางไปที่ไหนเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานของเรานั่นแหละนะอันนี้คือถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วชีวิตของเราก็เหมือนกับการเดินทางนะเราเดินทางไปเรื่อยนะ เดินทางไปได้ไกลเท่าไรเนี่ยก็ถึงเรียกว่าก็ใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเดินทางในถูกทิศถูกทางนะนะถูกทิศทางที่ที่เราตั้งใจจะไปการภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ท้อแท้ท้อถอยนะเราก็จะเป็นผู้ที่รียกว่าเดินทางเผชิญกับอารมณ์ที่เราปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเผชิญไปเรื่อยๆเยนาะวันนี้มันอาจจะสบาย ก็จะไปคิดว่าพวกนี้มันจะสบายแบบวันนี้นะวันนี้มันอาจจะง่วงนะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำหวัวมตัวไปทีละครั้งนะไม่เป็นไรนะวันนี้มันอาจจะเรียกว่ามีความสงสัยเออก็แค่รู้ทันว่ามันมีความสงสัยไม่ต้องไปหาคำตอบให้กับมันหรอกนะแค่รู้ว่าจิตเขาสงสัยนะแค่รู้แค่นี้นะมันได้คำตอบแล้วว่าออพอเราไม่ไปเอา ความคิดไม่ไปต้องหาคําตอบกับเขาเดี๋ยวความสงสัยมันก็ดับสงสัของเขาเองนแหละนะความสงสัยมันก็ไม่เทียนะเท่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงนะมันสงสัยเรื่องนี้พอเราไม่ไปหาคําตอบกับเขามันก็เลิกสงสัยเองหรือบางคราวมันอาจจะสงสัยใหม่เอา้าก็ไม่ เ, เป็นไรเนาะนะนสงสัยใหม่ก็รู้มันใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปัญญาความเข้าใจมาถือขึ้นเองนะนะบางทีมันไม่ได้คําตอบ ในเรื่องที่เราคิดสงสัยหรอกนะแต่มันจะคาตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปความสงสัยก็เป็นเช่นนั้นก่อนที่จะมีความสงสัยมันก็ไม่มีความไม่สงสัยเกิดขึ้นมีความสงสัยเกิดขึ้นนะพอเราไม่ให้ค่าพอเราแค่รู้เฉยเฉยรู้ธรรมดารู้ได้ใจเป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่นของจิต ความสงสัยนั้นก็ดับไปของเขาเองแ้ะความสงสยัยก็ไม่ต่างจากอารมณ์ทุกอย่างนะถ้าจิตของเรามีความตั้งมั่นในการดูอารมณ์ในการรู้อารมณ์นะจะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามหรืออารมณ์กลางๆก็ตามอารมณ์ที่มีความพอใจชอบใจก็ตามอารมณ์ที่มีความไม่พอใจไม่ชอบใจก็ตามหรืออารมณ์ที่เป็นกลางๆก็ตามนะ ถ้าเราแค่ดูแค่รู้เขาเฉยๆนะภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยนะน่ะมีความไม่พอใจมีความโกรธขึ้นมาเนี่ยพอสติดูทันเนี่แวบดับไปทันทีเลยนะมีความโลภเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมานะพอเราเห็นปุ๊บมันดับไปลงทันทีเลยอันเนี้ยถ้าเราฝึกสติเราจะเห็นด้วยแน่นะการเดินทางก็เป็นที่ น, นี่แหละนะเดินทางบางคราวมันก็ ลำบากบางคราวมันก็สบายบางคราวมันก็ลงทางไปบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ได้เสียหายเลยนะเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะประสบการณ์ในการภาวนาประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกเราไม่สามารถเลือกที่จะทําให้ถูกอย่างเดียวหรอกนะะถ้าใจเราไม่รีบร้อนเกินไปอ่าถ้าใจเรามั่นคงนะนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเรียกว่า เผชิญกับอารมณ์ต่างๆในแต่ละวันในแต่ละขณะนะเราไม่ใช่เลือกที่จะไปทางรัดนะไม่ใช่หวังผลแบบเร็วเกินไปนะหวังผลเร็วเกินไปคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนจะต้องนั่งเครื่องบินนะอนะย่นเวลาย่นระยะทางเข้าสมาธิปุ๊บนะถึงที่หมายปั๊บนะขึ้นเครื่องบินปั๊บประดับปุ๊บนะ่ะถึงนขึ้นมาก็ถึงเป้าหมายละนะละคนคิดเช่นนั้น นักภาวนาหลายคนเนี่ยมักมีความคาดหวังสูงจงไปสอนที่เหมือนจีนรอบนี้ก็มีหลายคนที่เขาเกิดความลังเลใจนะลังเลใจว่าเออที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใช่หรือเปล่านาะทำไมปฏิบัติธรรมมาห้าวันแล้วหกวันแล้วจิตยังฟุ้งซ่านจิตไม่สงบเลยนะคล้ายๆ ก็เลยกลับไปถามเลยแล้วบางทีถ้าคุณปฏิบัติทำเพียงแค่ห้าหกวันเนาะแต่คุณไม่ปฏิบัติทำมาสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีน่นนะบางทีเราจะเอาแค่ห้าหกวันเนี่ยเป็นการทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรียกว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาเลยบางคนมีความตั้งใจแบบนั้ น, นคล้ายคล้ายคาดหวังสูงคิดว่าทำแล้วมันต้องสงบทำแล้วมันต้องดีทาแล้วต้องเกิดปัญญาน่ะ ทำแล้วต้องละตัวตนได้ทันทีทีนะ่จริงที่จริงตอนที่มันรู้ตัวนะมันก็ละได้นะตอนนั้นแหละแต่พิจนรณาว่ามันไม่สามารถบังคับได้ว่าจะต้องรู้ตลอดไปนะมันก็ตอนนี้ยังเป็นการแค่ฝึกฝนอยู่นะเป็นการฝึกฝนอยูนะ่หรือบางคนเนี่แหละก็ได้อารมณ์แบบนี้แหละนะบางคนก็มาพูดประพูดกับอาตมาว่าโอ้เนี่ยไม่มีตัวตนแล้วไม่มีตัวตนแล้วนะ มันว่างหมดเลยนะจิตไม่มีแล้วไม่มีจิตแล้วนะเราก็ไม่รู้นะเราไม่ถึงแม้ไม่รู้ภาษาที่จะพูดใบเขาต้องรอเวลาเจอร่าน่ะค่อยไปอธิบายค่อยไปเทศอธิบายเขาว่าไอ้ที่มันไม่มีตัวตนมันมีที่ไหนมันไม่ใช่หรอกนะไม่ถึงแม้ที่ไม่มีจิตน่ะมันไม่มีหรอกนะจิตมันก็ยังมีอยู่เป็นธรรมดานะผู้ทั่นก็มีจิต พระอริยะเจ้าท่านก็มีจิตแต่เพียงว่าจิตตอนนั้นแหละมันเป็นจิตที่ทุกข์หรือจิตที่สุขนะหรือจิตที่เรียกว่าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือว่าไม่มีตัวตนไม่ไปยึดถือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตไม่เป็นตัวเป็นตนหรือไม่ทุกคนก็ยังมีกายทุกคนก็ยังมีจิตแต่เพียงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะผู้ที่เข้าใจความจริงนะ ระดับใดก็แล้วแต่เนาะขณะที่รู้สึกตัวขณะที่มีสติเมื่อนั้นมันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตนี้เป็นตัวเราเมื่อนั้นมันก็ถ่ายถอนว่าการยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเรานันเนี่ยลองสังเกตก็ได้ขณะที่เรารู้สึกตัวแต่ขณะเนี่ยเราจะเห็นแค่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนกายมันคูยกายมันเหียดกายมันเคลื่อนไหว เราเห็นสัจธรรมเป็นกายนะอาการที่เราจะดูอาการของกายเนี่ยก็ดูอาการเคลื่อนอาการไวหวตือเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายอันเนี้ยคือเราดูอาการของกายดูไปเรื่อย เ, เราก็จะเห็นมันเป็นแค่ว่าสัตธว่าเป็นกายนะถ้าภาษาพาก็คือเรียก ว, ว่าสักตธว่าว่ามันเป็นรูปนะมันเป็นรูปนะรูปที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นะทั้งนั้น แต่กายนี่ทำอะไรไม่ได้นะถ้าไม่มีใจนะเราก็เห็นว่าโอ้มมีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าใจตอนเนี้ยกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนคอยรับรู้นะใจเนี่ยนะมันมีอาการที่เรียกว่ามีเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจก็มีนะบางคราวใจก็สุขบางคราวใจก็ทุกข์บางคราวใจก็เฉยนะบางคราวใจก็คิดบางคราวใจก็ไม่คิดนะบางคราวนะก็โดนความง่วงครอบงํา มันเขาก็โดนความสงสัยข้อบงาําแต่ขณะที่ขณะที่เราเรียกว่ามีสติเราจะเห็นว่าเอ้ที่จริงไอ้ความสุขเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ใจก็ส่วนหนึ่งนะนะที่จริงความคิดก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งน ะ, ะเราจะค่อยๆแยกไปแบบนี้นะค่อยๆแยกไปเห็นอนาะการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันเป็นเรื่อง เออธรรมดาของมันเนี่ยเราก็ภาวนาโดยการตามรู้ตามดูอารมณ์แบบเนี้ยไปเรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนาะเราก็เห็นว่าอ๋อมาเป็นธรรมดามันเป็ น, นเนช่นนั้นเองบางคราวจิตจะหลงไปบ้างอะก็ธรรมดาเนาะก็แค่รู้ว่ามันหลงไปก็กลับมาใหม่นะกลับมาใหม่โดยใจที่เรียกว่าไม่ต้องไปดึงไปกระชากแค่รู้เฉยๆนะเขาจะกลับมาของเขาเองนะอย่าไปเรียกว่าอย่าไปเรียกว่า ไปดึงไปกระชากไปคล้ายๆทําให้เขาเรียกว่าไปตั้งใจเกินไปนะถ้าตั้งใจเกินไปเนี่ยมันเรียกว่าจิตเราเสียจากความเป็นกลางเพราะว่าเรามีความไม่ชอบนะเรามีความไม่ชอบความคิดเรามีความไม่ชอบความหลงก็เลยตั้งใจที่จะให้รู้ตัวอย่างเดียวนะจะไปทําเช่นนั้นนะขณะที่มันรู้ตัวก็รู้ตัวก็ ว, กวางไปความรู้นั้น การที่มันหลงไปคิดไปก็แค่รู้ว่ามันหลงก็แค่รู้ว่ามันคิดจิตเขาจะตั้งมั่นกับเขาเองนี่คือการภาวนานะมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราทําสบายสบายทําเรื่อยๆนะอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะเราก็แค่ตามรู้ของเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่เรายอมรับได้ทั้งนั้นนะมนเป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันก็เกิดขึ้นของมัน แต่พอเรามีสติปัญญาเราจะเห็นว่าเออมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอื <c oughs> มันเป็นเช่นนั้นของมันเองะคล้ายๆอาจารย์พุทธทาเขาจะชอบพูดคำว่าเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองหรือจริงสติปัญญาแค่นี้นะไม่แต่เด็กเขาก็สามารถเข้าใจได้นะนะมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีแม่เป็นคนไทยนี่แหละนะแต่เป็นโตที่ต่างประเทศมันถึงว่า สามีเป็นคน อ, อเมริกานะภรรยาเป็นคนไทยลูกก็อยู่อเมริกาเนกะ็ทนะําทมาหากินตั้งโลกลาที่นั่นมีวันหนึ่งเด็กคนนี้เขาก็คมเครียดจากที่โรงเรียนอาจจะเรื่องการเรียนหนังสือหรือเรื่องกับเพื่อนก็นแล้วแต่นะเขาก็มีความเครียดมีความไม่สบายใจแม่ก็เห็นว่าลูกนี่เครียดลูกนี่มีความว่าไม่สบายใจอะไรสักอย่าง ก็เลยชวนลูกไปวัดวัดไทยนะที่เมริกาแห่งหนึ่งนะลูกก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดหรอกนะเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาพาลูกแต่พอพอแม่เห็นลูกก็เครียดก็ได้พาลูกเข้าวัดพอเข้าไปที่วัดนะเข้าไปในศาลาขณะที่ไปในศาลาก็แม่ก็สอนให้ลูกกราบพระนะลูกก็กราบลงสามหนตามที่แม่ว่าแล้วก็เด็กคนนั้นนะก็พอ พอเงยหน้าขึ้นมองพระพักพระพุทธพระพุทธเจ้านะก็คือมองพระพุทธรูปนั่นแหละนะเปินพระพุทธรูปที่ที่สร า, าหแห่งนั้นท่านเรียกว่าอยู่ในปางปฐมเทศนาปฐมเทศนาจะทำมือให้แค่นั้นนะเด็กเขามองนะมองว่โอ้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเขาสอนไะ้ Everything is okay ค <c oughs> ือถึงอย่างโอเคทั้งนั้นนะ ให้ที่เป็นความทุกข์ที่เป็นปัญหาในจิตใจโอเคไม่มีปัญหา no problem นะ no problem อย่าไปคิดว่าเป็นปัญหานะถ้าเรามองไม่ไม่เป็นปัญหานะมันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปทุกข์กับมันเด็กเข้าพอเห็นแค่นั้นนะเขาคลายความทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะตะก่อนเขาคิดว่าใจเขามีความทุกข์ใจเขามีปัญหาแตพ่พอพระพุทธองค์บอกว่าโอเคโอเคน o no problem นะไม่มีปัญหา ก็วางเลยวางปัญหาไปอันนี้ก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งนะปัญญาพอเห็นแล้วก็เกิดความตระหนักในใจว่าปัญหาไม่ไมใช่ความจริงเราไปแบกของเขาเองนะพอเราวางใจได้มันก็คลายจากความทุกข์นะแต่นั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะยังไม่ใช่ปัญญาถึงที่สุดอั่นเนาะแต่อย่างน้อยก็เป็นปัญญาที่ทําให้เราเห็นว่าทุกถึงทุกอย่างที่เราทุกเนี่ยเราไปแบกเองนะเราไปแบกเรื่องคนนั้น ทำให้เราทุกข์นะไปแบกว่าเสียงดังเกินไปไปแบกว่ามันหนาวเกินไปไปแบกว่าอาหารไม่ถูกป่าไปแบกว่าที่พักไม่สบายอันนี้คือเราไปแบกเองถ้าเห็นทุกสิ่งอย่างเออมันก็เป็นธรรมดาเช่นนั้นเนาะเออก็เราก็ปรับตัวของเราเองนะเราก็ปรับใจของเราเองมันก็อยู่ของเขาได้ไม่เป็นปัญหา no problem นะร่างกายเราก็เหมือนกันเนาะนะจะให้มันดีตลอด จะให้มันเรียกว่าไม่แก่จะให้มันไม่เจ็บตลอดอะมันก็ทําไม่ได้บางคาวมันแก่บ้างเอก็ธรรมดาตามอายุนะบางคาวมันเจ็บบ้างก็ตามธรรมดาถ้ามันมีกายอยู่มันก็ยังทุกข์นะมีมีโยมคนจริงหนึ่งก็มาถามเขาก็เป็นโรคโรคไตแล้วก็ทำทําไมคนเราต้องออไม่ใช่ น, นี่คนนี้ไม่เป็นโรกไตคนนี้เป็นเป็นผู้หญิงอายุยังไม่มากไม่น่าจะถึงสามสิบ แต่ไม่สบายนะต้องไปหาหมอจีนเป็นธรรมดาพอดีหมอจีนก็เคยมาปฏิบัติธรรมหลายครั้งนะเขาก็มาเยี่ยมนะเขามาถามทำไมคนเราต้องต้องต้องเจ็บด้วยต้องป่วยด้วยนะเพราะว่าเขาป่วยนะไม่รู้เป็นอะไรนะ อ, อ๋อก็เพราะว่าเรามีความเกิดไงเราก็จะมีความเจ็บนะเพราะเรามีความเกิดไงเราก็มีความแก่เพราะเรามีความเกิดไงเ ร, เร า, าเ ก, ก็มีความตายนะ อันนั้นไม่ต้องไปถามหรอกว่าทำไมเราป่วยนะทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องตายนะเพราะเรามีความเกิดนี่แหละนะทำให้เรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดานะเป็นเช่นนั้นเองแต่ขอให้คุณได้ลองภาวนาดูลองฝึกปฏิบัติทาดูนะแม้จะมีความแก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาเนาะแต่ถ้าจิตที่ภาวนาเนาะมันจะไม่ทุกข์นะมันจะเห็นว่าปัญหา หรือว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่มันจะมีปัญญาจะแยกแยะได้ว่าอปัญญาเนี่ยมันจะพาใจให้ไม่ทุกนะแต่ก่อนคนทั่วไปเนี่ยมักจะคิดว่าปัญหากับความทุกเ네นี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอเรามีสตวิวิญญาณจะเห็นว่าปัญหาก็ส่วนหนึ่งนะความทุกนี่เป็นส่วนหนึ่งความทุก์เกิดจากการที่เรายึดมั่นว่าปัญหานั้นเป็นตัวเป็นตนของฉัน เป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตัวกูเป็นของกูนะกายนี้ของกูลูกนี้ของกูนะเรื่องนั้นที่มากระทบกูอันเนี้ยคือพอเราเห็นเช่นนี้นะมันเลยกลายเป็นตัวกูเปการยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เลยนะแต่จริงถ้าเรามองสิ่งต่างอ๋อมันก็เป็นเพียงแค่สั ก, สกแต่ว่าสภาวะนะรูปนี้นก็ไม่ใช่ของเรานะก็แค่สมมุติพูดว่าเราเฉยๆ ลูกก็ดีสมบัติก็ดีนะสิ่งต่างๆภายนอกที่คิดว่ามีเป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยสมมุติทางโลกแต่พอหมดจากโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่ตอนนี้แหละนะแต่เป็นของเราโดยสมมติเฉยๆนะสมมตดิดยเฉยๆนะสมมุติโดยหน้าที่สมมุติโดยอาชีพสมมุตดิดยอะไร ก, ก็แล้แต่เป็นสมมติเฉยๆนะ แล้วพอมีปัญหากต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอ๋อปัญหาเราก็แก้ไขไปนะแต่ก็ต้องแก้ไขแบบไม่ทุกข์ใจนะแก้ไขแบบไม่ทุกข์ใจร่างกายมันเจ็บเราก็รู้ว่ามันเจ็บก็แก้ไขไปนะร่างกายไม่สบายก็รู้ไม่สบายก็รักษาไปแต่รักษาใจด้วยรักษาใจให้ไม่ทุกข์นะรักษาใจให้รู้ทันเวลาไปยึดมั่นถือมั่นประกายนี้เป็นของเรา เรารักษาใจให้ออกจากความทุกข์ตรงนั้นจิตใจก็เช่นเดียวกันนะจิตใจก็เช่นเดียวกันนะเราก็แค่รู้ทันจิตนะอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาก็ตามนะจะดีไม่ดีจะชอบไม่ชอบก็แค่รู้ทันนะเ ร, เ, รเราเราเลือกไม่ได้หรอกที่จะเจออารมณ์อะไรมากระทบกับจิตแต่สิ่งที่เราฝึกได้ก็คือฝึกเชื่อจิตไม่ไปติดกับอารมณ์นั้นอ่านะนี่เราฝึกได้นะ ไม่ใช่ว่านะมันจะต้องไหลไปกับอารมณ์ต่ลอดเวลาแม้บางคราวอาจจะเกิดความชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วแม้บางคราวอาจจะเกิดความสุขหรือความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ตามพอเรารู้ทันนะมีสติรู้ทันสติจะทําหน้าที่ตัดการปรุงแต่งต่อนะก็คือตัดที่สังขาร น, นะเมื่อไม่มีสังขารแล้วมันก็ไม่ต่อไปเป็นการกระทําภายนอกต่อนะ มัน ก, ก็ไม่ทันไปเกิดเป็นความทุกข์นั้นเราเรารู้ทันที่ไหนเราตัดที่ตรงนั้นนะบางทีเกิดเห็นสิ่งนั้นก็เกิดมความไม่ชอบใจขึ้นมาเราก็แค่รู้ทันว่ามันเกิดความไม่ชอบใจในจิตนะเกิดความชอบใจขึ้นมาเราก็แค่รู้ทันเนี่ยความชอบใจความไม่ชอบใจนี่เป็นธรรมดานะเมื่อรู้ทันแล้วก็ดับไปตรงนั้นแหละนะหรือบางทีรู้ไม่ทันตรงนั้นก็ไม่ไปปรุงแต่งละนะก็เราก็รู้ทันว่ามันปรุงแต่งเมื่อมัน รู้ทันว่าจิตมันปรุงแต่งความปรุงแต่งก็ดับไปของมันเองอันนี้แหละคือการภาวนาทั้งนั้นดังนั้นการภาวนาเนี่นะมันก็ทําแบบเนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเราจะภาวนาในรูปแบบก็ตามเราก็ตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆตามที่เขาเป็นจริงนะไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องเจอแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเราไปใช้ชีวิตข้างนอกวัดนะหรือเราอยู่ในวัด อาจจะทํางานทําการนะแล้วก็ภาวนานอกรูกแปแบบไปนะก็ยังมีกายมีใจที่เจอกับอารมณ์ที่เจอกับสิ่งนี้กระทบแล้วก็ตามรู้ตามดูไปก็เป็นการภาวนาเช่นเดียวกันนะการภาวนาเนี่ยเหมือนกับการเดินทางนะสรุปก็คือว่าเราจะเจออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะทั้งนั้นเราเรียนรู้จากทั้งธรรมชาติภายนอกที่สอนธรรมะนะ เราเรียนรู้ทั้งจากธรรมชาติภายในใจภายในกายของเราเองที่เขาก็สอนธรรมะทั้งนั้นถ้าเราเดินทางเช้นนี้นะนะเราก็จะเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้แหละคือการภาวนานะให้พวกเราได้ฝึกภาวนาเช่นนี้ไม่ต้องไปรีบเร่งเกินไปไม่ต้องไปคาดคั้นตัวเองเกินไปให้ทําไปเรื่อยๆทําทุกขณะถ้าจิตใจเรามีความไม่รีบไม่ร้อน นะไม่เร่งเกินไปจิตเราจะเกิดความผ่อนคลายเกิดความสบายจิตที่ผ่อนคลายจิตที่สบา ย, ยานั่นแหละจะเป็นจิตที่ทำให้เกิดสมาธินะสมาธิก็คือความตั้งมั่นคือความมั่นคงเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็มีสตินะมันก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นชิ้นนั้นเองนะทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้น อาการที่ตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครนะไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีเขานะมีแต่ธรรมชาติที่แสดงอาการต่างๆเท่านั้นนะแล้วก็ดูไปเช่นนั้นเนาะก็คิดว่าพอสมควรแค่เวลานะก็ฝากธรรมะให้พวกเราได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะนะการพากัน